เสียงอ่านหนังสือพระธรรมวินัยชุดหลวงตาบวชมาทำไมเล่มหนึ่งตอนกำเนิดหลวงตาในพระพุทธศาสนาผู้เขียนภิกษุกรูปหนึ่ง เสียงอ่านโดยรัฐพลทองพาคำนำ พระพุทธศาสนาเปรียบดังล่มโพล่มไซหรือว่าล่มไม้อันเต็มไปด้วยดอกผลใบช่อกิ่งก้านสาขาเปลือกกะพี้และแก่นผู้ใดใคร่ที่จะพักพิงเข้ามาอาศัยล่มเงาเพื่อบรรเทาความเล่าร้อนก็เข้ามาพักผ่อนดับความรุ่มร้อนได้ตามปารธนาผู้ใดใคร่ประดับร่างกายให้สวยงาม และสูตรดมกลิ่นหอมของดอกไม้ก็เด็ดดมเชยชมได้สมอุราผู้ใดใครจะบริโภคผลก็ต้องปีนป่ายเหนียวลังเก็บผลมานั่งบริโภคได้สมปารถนาผู้ใดใครที่จะได้ใบชอ่อกิ่งก้านหรือเปลือกกระพี้เพื่อเอาไปทำยาก็สามารถไวกว้าได้สมพิลมหมาย ผู้ใดใครนักที่จักได้แก่นของต้นไม้ก็ต้องใช้กำลังปากบันไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยภาคเพียรโดยชอบประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดจึงจะได้มาซึ่งแก่นอันสามารถนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ตนและผู้อื่นได้ พพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผู้ที่กาลังมีทุกข์และต้องการบาบัดทุกข์หรือต้องการจะพ้นจากทุกข์อย่างทาวอเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาอาศัยพึ่งพิงต้นไม้คือพระพุทธศาสนาจึงควรเป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีและมีปฏิกาละคือมีการกระทา ตอบแทนตามสมควรเพื่อให้ต้นไม้พระพุทธศาสนามีการจเจริญเติบโตงอกงามและแพร่พันธุ์สืบต่อไปอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอีกสิ้นกาลนาน ผู้ใดใช้ประโยชน์จากต้นไม้แล้วไม่ช่วยกันรักษาทำนุบำรุงป้องกันและแพร่พันธุ์ต้นไม้แต่กลับช่วยกันตัดโค่นเผาทำลายโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลไม่คิดถึงประโยชน์อันเป็นสาระจริงๆของตนหรือของผู้อื่นในไม่ช้าต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ได้ทุกอย่างก็จะไม่เหลือแม้กระทั่งตอ ย่อมสิ้นรากจากแผ่นดินนั่นก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาซึ่งพระศาสดาได้สั่งสมพระบารมีมายาวนานนับประมาณมิได้เพื่อก่อตั้งไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่เหล่าสัตว์จะต้องล่มสลายสูญหายไปจากโลกเร็วกว่าที่กำหนดไว้เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ เป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่พุทธะคือเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่เข้าใจในคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้หน้าที่ของชาวพุทธไม่รู้จักคุณสมบัติของชาวพุทธและไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธควรบําเพ็ญจึงละเลยประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งอันสูงสุดเป็นผู้ที่ต้องการแก่นไม้ แต่ก็ไม่รู้จักกันไปคว้าเอาเปลือกใบกะพี้และอื่นๆโดยที่เข้าใจว่าเป็นแกนต้องการดอกไม้ผ ล, ลไม้แต่ก็ไม่รู้จักดอกผลไปถือเอาสิ่งอื่นโดยที่เข้าใจว่าเป็นดอกผลคนนั้นก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่ตนปรารถนาความไม่รู้ความหลงคืออวิชานี่แหละ เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวพุทธล่วงละเมิดความถูกต้องซึ่งก็คือพระธรรมวินยัยกลับไปปฏิบัติสิ่งที่ผิดอันจะนำมาซึ่งทุกทโทษทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นโดยที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ ผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาควรที่จะได้เรียนรู้ควรที่จะได้ศึกษาหลักคำสอนให้เข้าใจถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่สมควรแก่ชนทั่วไปแต่เมื่อไม่ศึกษาให้เข้าใจหรือไม่มีเป้าหมายที่ถูกต้องในการบรรพชาอุปสมบทจึงเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติผิดเพี้ยนไป จากพระธรรมวินัยกลายเป็นแบบอย่างประเพณีที่ไม่ดีงามอันเป็นการแสดงถึงความเสื่อมทรามแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นประจักษ์กันอยู่อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้เป็นชาวพุทธที่ปรารถนาเป็นพุทธให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในความเป็นชาวพุทธปัจจุบัน มาเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลและความถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสุขส่วนตนและประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมโดยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยซึ่งยังคงสามารถนำมาปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยไม่มีการเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยใครปฏิบัติได้ก็ย่อมมีผล เป็นความสุขตามสมควรกายเหตุแน่นอนการบวช <ión: cioè. S 2> ในพระพุทธศาสนาเป็นข <Vault s> ้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษหากแต่มีคุณอยากอเนกอนันต์แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้ หรือลู้เท่าไม่ถึงการกับทําสิ่งที่ไม่มีโทษให้มีโทษทําสิ่งที่มีคุณให้ไม่เป็นประโยชน์นับว่าช่างน่ากรุณาเสียเหลือเกินว่าเหตุชไหนหนอท่านจึงไม่รักตนเองเอาเสียเลยอีกทั้งยังไม่รักพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นจึงปรารถนาว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้ช่วยกัน รมนุบำรุงลดน้ำควรดินต้นไม้พระพุทธศาสนาโดยการร่วมมือกันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนซึ่งไม่พ้นไปจากศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มจากปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไปส่วนผลคือปฏิเวทย่อมบังเกิดตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยความปรารถนาดี และจริงใจภิกษุรูปหนึ่งอะไรหนอยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชลา อะไรหนาตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรหนาเป็นรัตตนาของนรชนอะไรหนาโจรลักเอาไปไม่ได้ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชลาศรัทธาตั้งมั่นดีแล้ว ยังประโยชน์ให้สําเร็จปัญญาเป็นลัตตนะของนรชนบุญอันโจรลักเอาไปไม่ได้ คำชี้แจงและอนุโมทนาหนังสือเล่มนี้เกิดจากการปาลบของสตีผู้หนึ่งซึ่งมีบิดาบวชเป็นพระภิกษุแต่ท่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยจึงทำให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยู่เนืองนิดเมื่อสตีผู้นี้ ได้เริ่มศึกษาพระธรรมวินยัยได้ฟังพระธรรมและพระวินยัยจากผู้เรียบเรียงจึงทราบว่าเพศภิกษุเป็นเพศที่สูงส่งควรแก่การลองรับคุณธรรมจนถึงความเป็นเพาะอารหันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าบวชเป็นภิกษุแล้วสามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ก็จะมีผลมีอนิสงส์มาก แต่ถ้าประพฤติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยหรือไม่เอื้อเฟื้อที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็ย่อมจะเป็นโทษมากและได้รับโทษมากหาประมาณมิได้สติผู้นี้เกิดความเป็นห่วงพระภิกษุผู้เป็นมิดาของตนว่าจะต้องได้รับโทษที่ย่ำยีพระธรรมวินยัยและกรุณาต่อพระภิกษุทั่วไปในปัจจุบันที่บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องซึ่งเป็นการทำลายคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังสติพ่งนี้จึงขอบให้ผู้เรียบเรียงเขียนหนังสือสักเล่มเพื่อเป็นอุบายให้พระพิสุผู้เป็นบิดาของเธอตรวจทานอาจจะเป็นปัจจัยให้พระพิสุผู้เป็นบิดาของเธอเกิดความละอาย เกงกลัวต่อบาปอากุศลและเริ่มศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยให้ถูกต้องยิ่งขึ้นหรืออาจเป็นปัจจัยให้ลาสิขามาเป็นขลือหัดก็ได้สตีผู้นี้ก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูบิดาของเธอเป็นการตอบแทนคุณในเพศของขลือหัดซึ่งในขณะนี้เธอก็ยังดูแลอุปถากพระภิสุผู้เป็นบิดาของเธออยู่เป็นปกติ เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนนิยายอิงพัทธรรมวินยัยโดยที่บุคคลต่างๆในเนื้อเรื่องเป็นเพียงตัวละครที่ได้สมมติขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเป็นที่น่าติดตามเท่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยนั้นเป็นความจริงซึ่งมีปรากฏอยู่ในคมภีร์ตามที่อ้างไว้แล้วผู้เรียบเรียงขออนุโมทนา ต่อผู้มีส่วนในการจัดสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจทานพิสูจน์อักษรผู้ออกทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ผู้สมทบทุนตลอดจนผู้ที่ได้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะพระภิกษุที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดอีริโอต ป, ปะและพยายามแก้ไขในสิ่งผิดให้ถูกต้องมากขึ้นขอให้ประพฤติตามบธรรมวินยัย เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อเชิดชูพศาสนาเพื่อสร้างสมบรารมีเป็นปัจจัยแ ก, มก่มรรคผลพระนิพพา น, พานในอนาค ต, ตการอันใกล้นี้เถินภิกษุรูปหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีปริญนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตมีความเลื่อมใสเสมอกันผลก็ย่อมเท่ากันอาัมพะคถาข้าพเจ้าผู้เป็นพุทธทาสขอน้อมอภิวาตแด่พระพุทธศาสดาผู้อันโลก กับเทวโลกบูชาแล้วทุกเมื่อผู้มิได้ทรงย่อท้อต่อการประกาศพระธรรมจักรผู้ทรงเป็นโลกกนาาพิชิตมานนำหมู่สัตว์ออกจากวัตะกันดาลทรงเป็นพระมหาวีระยังมานพร้อมทั้งเสนาให้ปราตนาการหนีไปสิน้นผู้ทรงชำระมนทินแห่นปวงเว น, นยสัตว์ผู้ทรงบำบัดทุกข์ เวณภัยและอุปัตตวะอันใหญ่หลวงของปวงประชาผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพบาทและเหล่าสัตว์ผู้จมอยู่ในห่วงมหันตทุกข์ข้าพเจ้าผู้เป็นธรรมธาตุขอน้อมนอมนัมสการแด่พระธรรมอันเป็นธรรมดีที่พระสุคตเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นนิยยานิกรธรรม นำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงเป็นธรรมหมุนกลับจากวัตตะทำให้หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสันติธรรมอันสงบละเอียดประณีตไม่เจือด้วยอามิตรทั้งปวงข้าพเจ้าผู้เป็นสังฆาตขอน้อมวันธนาการ แด่พระอริยสงฆ์ผู้ทรงไต่สิกขาผู้ฟังคําสอนของพระศาสดาไม่แงนมองหน้าศาสดาอื่นเป็นนิดผู้มอบชีวิตแด่พระคถาคตเจ้าผู้พ้นแล้วจากความเมาสามประการเพียรทํางานในพระศาสนาอันเนื่องด้วยอริยสัจผู้เป็นบุญยเขตอันประเสริฐของโลกทั้งปวงด้วยกุศลผลและบุญ อันยิ่งใหญ่ในการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวขอจงเป็นพระละปัจจัยให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีอุปสรรคพยานอันตรายมีความเพียรอย่ากเกียดค้านมีสติปัญญาในการลดจนาหนังสือพระธรรมวินัยชุดหลวงตาบวชมาทำไมเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่บันปชิตคลือหัดพุทธศาสนิ ก, กชนทั่วไปขอจงเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานด้วยเทินกิจโฉมนุสสะปฏิราโภกิจฉังมัจจานะชีวิตัง กิจฉังสัทธรรมัสสวนังกิจโฉพุทธานมุปาโทความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัทธธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยากเป็นมนุษย์สุดยากไซด์ใดปานพบพระศาสดาจารย์ยากแท้บางคาบเกิดจักรวาลใดอื่นอันพระธรรมนี้แลยากได้สดับฟัง เกิดมาทำไมทำไมคนเราต้องเกิดมาด้วยทำไมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ด้วยทำไมจึงต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนด้วยทำไมจึงต้องมีการพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักด้วยทำไมจึงต้องประสบ พบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักด้วยและทำไมจึงต้องมีความตายเกิดมาแล้วทำไมต้องตายถ้าเช่นนั้นความเกิดจะมีประโยชน์อะไรการที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ใช่เป็นการง่ายเลย สำหรับผู้ที่เป็นคลือหัดยังอยู่ครอบครองเรือนอันเต็มไปด้วยกามาคุณห้ายังเบียดเสียดด้วยบุตรภริยาคาทาดบริวารและสมบัติพระสถานต่างๆผู้ที่บวชเป็นบรรพชิตน่าจะสามารถหาคำตอบและแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกต้องมากกว่าผู้ที่อยู่คองเรือน ด้วยเหตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่ากุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธาผู้กระทำบุญไว้แล้วแต่ปางก่อนจึงได้สละราชสมบัติและทรัพย์สินสลิงคานทั้งพวกพ้องบริวารรวมถึงบานดาบิดาบุตรภริยาและเครือญาติน้อยใหญ่ออกบวชเป็นบนรรพชิต อุทิศชีวิตบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาคำตอบให้ชีวิตและแก้ไขปัญหาชีวิตที่ทุกคนแม้ไม่อยากคิดแต่ก็ไม่อาจพ้นจากปัญหานี้ไปได้นั่นก็คือปัญหาที่ว่าทำไมจึงต้องเกิดแก่เจ็บตายทำไมจึงต้องพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นทีรักปรารถนาสิ่งใดกลับไม่ได้สมตามความปรารถนาและทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องประสบพบกับทุกเหล่านี้และทุกอื่นอื่นอีกต่อไปสรุปว่าทุกคนล้วนมีทุกขความทุกขเป็นปัญหาของชีวิต เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเมื่อเป็นคาลือหัดไม่สามารถบำบัดทุกข์ให้เบาบางหรือหมดไปได้จึงบวชเข้ามาเป็นบนรรพชิตโดยหวังที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตคือบำบัดทุกข์ให้เบาบางหรือให้หมดไปซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการบำบัดแก้ไขทุกข์ของตนได้ถูกหรือผิด ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหลายประการจึงใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามดูชีวิตของดวงตาท่านหนึ่งซึ่งปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์แต่การดำเนินชีวิตในเพศบรรพชิตจะเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์หรือสร้างความทุกข์ต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายไต่ตองพิจารณาดู